บรรยายพระวินัยนักธรรมชั้นตรีม้วนที่สิบห้าโดยพระอาจารย์บุญมีจันทรุปโมนั่นเองเพื่อนสาธรรนิกทุกทุกที่กำลังศึกษานักธรรมชั้นตรีวันนี้เราก็มาเรียนพระวินัยต่ อ, อ, อซึ่งเราก็ได้เรียนกันมาถึงเสกียวัตรซึ่งเป็นวัดอันสำคัญที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจแล้วจะได้ปฏิบัติตามสมควรแกตตัรรมลสาลก แล้นในเสกีวัตรนั้นก็ขั้นจัดเป็นหมวดเป็นสี่หมวดด้กันตามที่เราได้เรียนกันไปนแล้วแต่ทบทวนอีกนิดหน่อยว่าสี่หมวดนั้นหมวดที่หนึ่งว่าเรื่องอะไรที่สองว่าเรื่องอะไรหมวดที่สามว่าเรื่องอะไรหมวดที่สี่ว่าเรื่องอะไรหมวดที่หนึ่งก็ว่าด้วยสารุกนะหมวดสารุกว่าด้วยทำเนียมควรพะพุธในเวลาที่เข้าบ้าน สหมวดโพชนะปฏิสังขย์ว่าด้วยธรำรเนียมรับบินธบาตและฉันอาหารสามรำมเทศนาปฏิสังขย์ว่าด้วยรำรเนียมไม่ให้แสดงธรรมแก่บุคคลผู้แสดงอาการไม่เคารพสี่หมวดประกิรกะว่าด้วยธทรำรเนียมถ่ายอุจาระปัสสาวะมีสี่หมวดซึ่งเป็นข้อใหญ่สี่หมวดนี้จะต้องท่องให้ได้เนืหมวดหนึ่งชื่ออะไรว่าด้วยอะไร หมวดสองชื่ออะไรว่าด้วยเรื่องอะไรหมวดสามชื่ออะไรว่าด้วยเรื่องอะไรหมวดสีว่าด้วยหมวดสีชื่ออะไรว่าด้วยเรื่องอะไรนี่จะต้องพ้องให้ขึ้นใจเลยเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการที่เราจะจดจําไปใช้ในเวลาที่เราเข้าสอบนัดทมและวันที่หนึ่งก็เราได้เรียนมาถึงคู่ที่หนึ่งคือคู่แรกที่ว่า พึงทําความศึกษาว่าเราจะนุ่งห่มเป็นปริมนทนการลุ่มห่มเป็นปริมนทนนั้นก็คือนุ่งให้เรียบร้อยเบื้องบนจิตใจเบื้องล่างก็ <c oughs> ปิดนอกรเขรำดันลงมาจากกระเขเรำเพียงครึ่งแข้งส่วนการห่มนั้นก็ห่มให้เป็นปริมนทนเนอผ้าให้เสมอกันอยู่ในวัดห่มเฉลียงไหล จะห่มบิดหรือห่มดองก็ได้แต่ให้เป็นปริมณฑลส่วนออกนอกสถานที่คือออกนอกจากเขตวัดก็ห่มเปิดบ่าทั้งสองปิดไหล่ทั้งสองเรียกว่าห่มคลุมจะเป็นห่มคลุมแบบบิดมังกรหรือจะห่มคลุมแบบไม่ได้บิดมังกอก็ได้แต่ให้เรียบร้อยก็ชื่อว่าเป็นปริมณฑลทั้งสิ้นมีอมหดที่หนึ่งน ะ, ะคือคู่ที่หนึ่ง อันนี้คู่ที่สองที่ว่าพภิกุพึงศึกษาว่าเราจัดจิตใจดูดีไปและนั่งในบ้านอสิก้าบทนี้แสดงว่าการห่มคลุมเข้าบ้านท่านให้ระวังผ้านุ่งผ้าห่มให้เรียบร้อยอยาให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงคอยชักปกปิดอวัยวะที่กำหนดให้ติดนั้นกิริยามารยาทของพระนี่ เป็นสิ่งที่จะต้องรวมระมระวังมากในการเป็นอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเข้าไปและก็ไปในบ้านนั่งในบ้านด้วยก็ต้องระมัดระวังแม้จะเข้าไปในบ้านก็ต้องระวังการหมผ้าเรียกว่าปิดกายด้วยดีปิดกายด้วยดีเนี่ยแลก็ต้องคลุมคลุมปิดกายด้วยดีทั้งหมด เ ว, เ, ววเวลาจะนั่งเวลาจะนอนเวลาจะนั่งเหรือเวลาจะยืนหรือเวลาจะออะไรที่มันเหมาะสมกับการที่เราเป็นสมปนเพศเนี่ย <m> ก็จะต้องระมัดระวังผ้าอย่าให้มันหลุบลุย่ยหรืออย่าให้มัน เ, เ, เป็นชิ้หนหารังเกียจคือบางคนเนี่ยมากองนั้นเมื่อในธรรมะร ะ, ระวังผ้าบางที่นั่งลงก็เลอธรรมะร ะ, ระวังผ้านุ่งอย่างเนี้ย เพราะเราก็เป็นที่รู้อยู่แล้วว่าไม่ในุ่ปกลางเก่งใดงนั้นการเล่าก็ต้องระวังอย่าให้มัน เ, เป็นไปในลักษณะร่งหน้ารังเกียจแม้ <c oughs> แต่การหอมก็เหมือนกันก็ต้องระมัดระวังอย่าให้มันเกิดสิ่งที่ไม่าเกลีากดเกิดขึ้นต้องกิดอวัยวะดีๆเนี่ยเวลาเข้าไปในบ้านหรือนั่งในบ้านก็ต้องปิดกายให้เรียบร้อยเนยีทั้งที่เป็นพระ ประเภทไหนก็นตามคือจะเป็นนัวกวามัชฌิมาหนือพระถิแล้ก็ต้องระมัด ร, ระวังเช่นเดียวกันเป็นเสถียวัตจะต้องปฏิบัติกับทุกรูปทุกองตลอดไปถึงสามัญณด้วยก็จะต้องปฏิบัติตามเสถียวัตทั้งสิน้นเนอการเข้าบ้านก็หอมให้เรียบร้อยเนอย่าให้มันเป็นสิ่งที่น่าตำหนิกติเตียนในภายหลังคู่ที่สามที่ว่าพิสุพึงศึกษาว่า เราจะกระหันมือเท้าด้่ยดีไปและนั่งในบ้านมือเท้าก็ต้องระมัดระวังเวลาเข้าไปในบ้านการเดินก็ต้องสำรวมระมัดระวังแม่มือยู่ในชั่วเอกหรือจะมีการดูไปที่อื่นบ้างก็ต้องอยู่ในอาการสํารวมเช่ในปัจจุบันนั้นเราจะดูแค่ชั่วเอกตลอดนั้นก็คงไม่ได้เพราะว่า บ้านเมืองในปัจจุ บ, บันนั้นจเจริญ ม, มากรถราก็มากมายนั้นภัยก็เกิดขึ้นอยู่ทุกขณะก็จํงเป็นจะต้องระมัดระวังภัยจากรถต่างๆที่จะต้องวิ่งไปวิ่งมาอยู่การข้ า, ถถามถนนหนทางก็ต้องมองซ้ายแหลกขวาเพื่อความปลอดภัยในชีวิตนั้นการมองซ้ายในขวาการเดินไปข้างหน้าหรือถอยมาข้างหลังก็ตาก็ต้องอยู่ในอาการสงวชระวังมือระวังเทา้า ระวังมือเดินไปในบ้านขึ้นไปในบ้านกันดีอย่าไปจับน้นจับนู่จับสิ่งน้นสิ่งนี่เดี๋ยวของเขาตกเดี๋ยวของเขาแตกก็มีเนี่ยมือเท้าก็ต้องระมัดระวังว่าเราจะตั้งอยู่ในอาการอย่างนั้นให้เกิดความเรียบร้อยอย่างไรก็เป็นศึกษาให้เข้าใจเนียเรื่องว่าอาการทั้งรวมเรื่องอาษาอวัยวะทั้งทุกส่วนนี้ให้เกิดความสงบ ไม่ขนองมือขนองเท้าเพื่อนเล่นแต่จะใช้มือใช้เท้าในเวลาที่มีกิจนั้นไม่ห้ามในเวลามีกิจเช่นเราจะพลิกเราจะนั่งอย่างไรจะให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยได้แต่จะใช้มือการคึกขนองไปทําของกแตกทําของก็ตกมีเสียงดั ง, งอะไรเกิดขึ้นอะไรตัวใรสุนผู้ไม่สั่งลมก็มักจะมีอาการเช่นนั้นดนั้นก็ต้องระมัดระวังเวลาเข้าไปในบ้านก็สั่งลมมือสั่งลมเท้าให้ดีมีความเรียบร้อย นี่คู่ที่สามคู่ที่สี่ว่าที่สุกพึงศึก ษ, ษ, ษาว่าเอาจากัอมีตาทอดลงไปนั่งในบ้านไปและก็นั่งในบ้านหมายความว่ามีตาทอดลงชั่วเอ็ดดังที่ได้กล่าวได้ว่าอามีความสังรวมมีตาทอดลงเส ม, มอแต่ทอดลงต่ามสมควรแต่จะมองซ้ายมองขวาแล ซ้ายเขวาบ้างนั้นก็ไม่ถึงกับการเสียกิริยาแต่ว่าเป็นการมองซ้ายมองขวาเพื่อป้องกันไม่ให้อันตรายเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องรถต่างๆแต่ว่าอย่าไปมองหน้าคนนั้นอย่าไปมองหน้าคนนี้เมื่อลักษณะที่ทําให้คนอื่นเข้าใจผิดเหมือนถ้าไปเกิดขึ้นไปในบ้านหรือไปในบ้านไปมองหน้าคนนั้นไปมองหน้าคนนี้โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งผู้ที่เป็นฝ่ายสตรีหรือผู้หญิงเนี่ย ถ้าไปมองหน้าเขามากๆ ม, มันก็จะทําให้คนอื่นที่เห็นเข้าใจว่าอาจจะเป็ น, นชอบพอหรืออะไรต่ออะไรขึ้นมาได้แม้แต่พูดที่ถูกมองหน้าก็จะเข้าใจว่าถ้าอาจจะมาชอบก็ได้อะไรทาํานองนี้ขึ้นมาฉะนั้นการมองหน้า อ, อยิ่งเป็นการไม่ดีในการมองส่วนใดส่วนหนึ่งต่า ง, งๆก็เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะมองหน้าอย่างเดียว จะมองในส่วนต่างๆของรา่างกายก็ไม่ควรเหมือนกันแต่ว่าการมองไปเห็นหรืออะไรเห็นชั่วเพียงระรยาชั่วขณะหนึ่งนั้นไม่เป็นไรแต่ถ้าไปจ้องไปมองดูจนเกินไปนั้นเป็นที่สงสัยซึ่งผิดกิ ร, ยริยามารยาทของทกษุในพระพุทธศาสนาฉะนั้นการเข้าไปในบ้านจึงให้สัารวมระวังทอดตาลงเมื่อยดีไปในบ้านนะสังรวมแล้วก็ระวังให้ดีอันนี้ เวลาไปนั่งในบ้านก็ต้องระมัดระวังนะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ว่าแต่ว่าอาเคยเห็นเคยรู้มาโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือพระที่บวชตอนอายุมากๆซึ่งเราเรียบตะไรางหลวตา น, ตานี่เข้าไปในบ้านแม่ค่อยสะดวกทั้งมือทั้งเท้าแม่ค่อยสะวกทั้ง อ, อตานี่มันก็ต้องรักษาความดีงามของส่วนใหญ่เอาไว้ก็ช่วยกัน นั่นรวมเรามาระวังเมื่อเข้าไปสู่บ้านหรือเข้าไปในบ้านนะคู่ต่อมาคู่ที่ห้าว่าพี่คยเพศึกษาว่าจัดไม่เลิกผ้าเข้าไปนั่งในบ้านนะไม่เลิกผ้าไปนั่งในบ้านอันนี้ผ้าที่เราห่มที่เราเนืงอเมื่อเข้าไปในบ้านก็ต้องระมังระวังอย่าเลิกวางผ้าบ่าบังคนเข้าไปแล้วยกมาผ้าบ่าอันนี้ไม่ไม่ดีนะ ขาสํารัถสาโูปที่ดีฉะนั้นต้องเขามาระหว่ังเข้าไปในบ้านเป็นนั่งในบ้านก็ต้องร้อยอย่างร้อยผ้าไม่เวิร์ขึ้นไม่ยกขึ้นให้เป็นที่ น, น้าเกลียดหน้าหลังเกลียดฉะนั้นการรูปผ้านั้นหมายอาการมาสีข้าวให้เห็นเช่นถกจีวนขึ้นไว้บนบ่าอย่างนี้แล้วเราก็รู้ว่าออ่ามีการหอมแบบแบบบิดมางก่อนเนี่ยเคยเห็นมาบางองค์เนี่ยเอาผ้า จีวรที่อยู่ส่วนล่างขึ้นมาพกไว้ที่เอวแล้วเอาให้เหลือแต่ผ้าจมูงท่อนล่างเดินไปในที่ไปชุมชนเนี่ยเคยเห็นมาหลายรา ย, ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเกลียดอยู่เหมือนกันแม่มดมังกรแล้วก็เอาผ้าจีวรมาค่ะว่ า, ามาไว้ในเอวหมดเลยแล้วก็เหลือแต่ท่อนล่างซึ่งเป็นผ้าจมูงอย่างเดียวเดินไปในที่คนมา ก, มากๆเนี่ย อแล้วก็มักจะในโยมเรียกํบบาว่าผ้าจีบโกอันนี้ไม่ดีเลยแม้จะผมบังก่อนก็ต้องอให้จิวรมันเรียบร้อยอปล่อยให้มันถึงเสมอการในครื่งแข่งหรือว่าเสมอกันเป็นปริมณฑลกับผ้าโลงนั้นก็เป็นกาดีฉะนั้นก็ไม่ <c oughs> ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับผ้าลุ่งผ้าผมในการเข้าไปนั่งในบ้าน ต่อไปคู่ที่หกว่าที่สุพิงศึกษาว่าเราจะไม่หัวเราะไปนั่งในบ้านอันนี้หมายถึงหัวเราเสียงดังเข้าไปในบ้านนหัวเราเอือกเอื้อกอกอกัอกกับญาติโยมก็ดีหรือคุยกันเองในบ้านนั้นก็เป็นการเสียกิริยาเหมือนกันเสียมารยาทเหมือนกันฉะนั้นการเข้าไปนั่งในบ้านก็ต้องสรวมกิริยาอาการที่แสดงออกมาทางวาจาเหมือนกันคือ ท, ทางคําพูดนี่ พระนั้นไม่เหมือนกับคารวะทั่วไปคารวะทั่วไปนั้นจะหัวเราะเสียงดังเท่าไหร่ไม่มีใครเขาตามิตรติเตียนไม่มีใครเขาว่าอะไรแต่ว่าพระถ่าไปในบ้านแล้วก็ไปหัวเราะเสียงดังอื้ออัดสนุกสนานเค ร, ค, ร ค, รครื้นครวญเพลงใะไรต่าไหไรในบ้านเหมือนกับคารวะนั้นเป็นการเสียงกิริยา เสียธรรมเนียมของทุกสุและก็ทําให้ผู้ที่มาพบเห็นนั้นตานําหนิปิเตียนเอาได้ว่าพระไม่มีสมณสาโรคที่ดีฉังนั้นการเข้าไปนั่งในบ้านจะพูดจะปราศัยอะไรกับใครนั้นก็จะต้องสังเวยกิ ร, ยริยามรยาตรักษาคําพูดวาจาที่เปล่งออกมาให้เป็นวาจาที่เหมาะสมกับการเป็นสมณะควรควรจะพูดอย่างไร ไม่ให้เสียดุริยาไม่ให้เสียเหมายาตของการเป็นพระนะเพื่อให้นะเกิดสถานเลื่อมใสอีกประกาศหนึ่งด้วยนั่นก็การหัวเราะนะั้นมันเป็นสิ่งที่บางทีก็อดไม่ได้พราะมันเรื่องของความขำแต่ก็ต้องอยู่ในลักษณะที่ว่าสำรวมนะอะเรื่องไม่ให้หัวเราะเลยมันก็อดไม่ได้หรอกบางทีก็เราเป็นปุถุชนอยู่เป็นปุถุชนเขมีกิเลสอยู่ก็ธรรมดามันก็ต้องหัวเราะกันบ้าง แต่ว่าให้รู้จักสํารวมเท่านั้นเนะซึ่งสำคัญไม่ใช่สํารวมกริรยาอย่าได้หัวเราะให้มันเป็นเหตุให้เสียกิริยามารยาทนะเอาคู่ต่อไป <c oughs> อคู่ที่เจ็ดนะคู่ที่เจ็ดที่คุกท่งศึกษาว่าจักไม่พูดเสียงดังไปนั่งไหนบ้านาการพูดเสียงดังก็ต้องระมัดระวังเหมือนกัน การพูดคุยพูดจาปาษาอะไรในบ้านก็ต้องอย่าให้มันดังจนเกินไปนะพูดดังเกินไปนั้นก็เป็นลักษณะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ท่านบอกว่าต้องการให้พูดเสียงโดยปกติเพื่อให้ใช้เสียงไม่เสียสังหมคืออย่าให้ถึงกับตะโกนเป็นต้นมติของข้าพเจ้าอาจารย์กำหนดนั่งห่าง ก, ากันสิบสองอกได้ยืนไม่ถนัด ห่างกันเพียงหกศอกฟังเสียงพอดีอันนี้หมายถึงการพูดเสียงดังว่าห่างกันสิบสองศอกฟังไม่ค่อยชัดแต่ถ้าหากว่าห่างกันเพียงแค่หกศอกคือสามารถได้ยินได้ฟังชัดกันพอดีนี่เรียกว่าพูดพอดีพูดโดยปกติอันนี้ก็เ <c oughs> จาเป็นมาตรฐานในการใช้เสียงก็ยังไม่ได้เพราะว่า บางคนอาจจะมีเสียงดังบางคนอาจจะมีเสียงไม่ค่อยดังนั้นบางทีคนเสียงไม่ดังจะพูด เ, เท่าไรมันก็พูดที่อยู่ไกลถึงสิบไกลถึงหกส้อก็อาจจะไม่ได้ยินก็ได้จากนั้นก็อยู่ที่ควาเหมาะสมเท่าไหร่อย่างไรเทนั้นนี่ก็จะมีปัญหาขึ้นมาว่าเอ๊ะปัจจุบันนี้ก็มีเครื่องขยายเสียงใช้ไมโครโฟนพูดดังไม่ใช่ดังธรรมดามันดังไปหลายหมู่บ้าน ยังนี้จะไม่ไม่เสียกิริยาหรืออันนั้นก็ต้องดูว่าพูดนั้นเพื่อาการแสดงออกมานคำพูดนั้นเป็นไปโดยปกติหรือไม่ถ้าเป็นไปโดยปกติก็ไม่เสียมารยาคือพูดเสียงดังก็เพื่อประโยชน์เช่นประกาศโฆษมประชาสัมพันธ์ให้สาธาชนได้มาบําเพ็ญกุศลหรือว่า แสดงธรรมะื่อให้ผู้ฟังนั้นได้ฟังทั่วถึงกันได้อไปไกลๆอย่างเนี้ยก็ไม่เสียหายอะไรแต่ถ้าหากว่าใช้ไมโครโฟนนั้นเป็นเครื่องมือในการพูดเสียดสีด่าคนอื่นรูประการต่างๆอันนั้นเป็นการเสียกิริยาเป็นการเสียเอเมรยานดังนั้นการพูดไปนั่งในบ้านเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าเหมาะสมอย่างไรอตามสมควร เราต้องดูนั่นก็ต้องรู้จักการสรุมเป็นหลักสําคัญคู่ที่แปดต่อไปจู้รู้ว่าพิสูจน์ศึกษาว่าเร<ต>าจะไม่เป็นโครงกายไปนั่งในบ้านคือห้ามสแสดงกริยาโยกกายเพราะทำํำฟืนหรือด้วอความอ่อนแอท่านต้องการให้เดินและตั้งตัวตรงหมายความว่ า, วาไปนั่งในบ้านนี่ก็ไม่ทําโครงกาย นั่งเอนไปข้างหลังหรือว่าเอียงซ้ายเอียงขวาหรือก้มเหมือนกับคนอ่อนแอนั่งอย่างนั้นนั้นอันนี้ก็เป็นกิริยาที่ไม่ดีไปโยกกายอะไรต่ออะไรมันจะไปแสดงพูดคุยแล้วก็แสดงโยกกายไปโยกกายมาอะไรต่ออะไรนั้นไม่เหมาะสมฉะนั้นก็ให้หรูจ้จักการนั่งให้เป็นสีสงางให้เป็นราสี เรียกว่านั่งสังอย่างสง่าผ่าเผยเมื่อเข้าไปนั่งในบ้านดุจเยียาที่น่าเลื่อนสายอย่างไรก็ควรจะนั่งอย่างนั้นวในข้อที่แปดข้อที่เก้ า, าว่าพิสุพุทธศากว่าเราจะไม่ไกวแขนไปนั่งในบ้านไอไกวแขนเนี่ยธรรมดาเราก็ต้องการเดินก็จะต้องมีการไกวแขนก็ เ, เป็นธรรมชาติที่สร้างมาอย่างนั้นและการไกวแขนนี่ก็เป็นการ ช่วยในการก้าวขาช่วยในการทำให้เดินไวขึ้นนั่นเองแต่ว่าการเดินกว่ายแขนที่มีมารยาทก็จะต้องกว่ายแขนแต่พอดีพองามไม่กว่ายแขนจนอาการหนักเกลียดดังนั้นการเข้าไปสู่บ้านไปนั่งไปอะไรในบ้านเนี่ยพิสุก็จะต้องเดินกว่ายแขนแต่พอสมควรไม่กว่ายแขนให้มัน เ, เกินไป ในคาไม่ให้เสียกิริยาท่านเองให้ตำรวจรูร้จักที่ว่าห้ามทำอาการไกวแขนก็คืออที่ทำเพื่อฟูมหรือแสดงลีลาอย่างน่าประิดจริงก็แท้ก็ทำแต่จะไกวแขนเช่นเวลาไป่สะพานไม่จัดเข้าในขัวข้อนี้แม้ทำก็ไม่มีโทษอย่างว่าไต่สะพานเราจะต้องเดินต้องจับสะพานต้องอะไรต่ออะไรหรือไกวแขนบ้างตามสมควรนั้นก็ไม่ถึงกับเป็นอาบัติในสี่ขาบทนี้ ในข้อนี้ที่เป็นอวบัดก็คือว่ามัจเจกิริยาทำจนเกินไปนั่นเองต่อไปคู่ที่สิทว่าวิสุทธิ์พึงศึกษาว่าเราจะไม่สั่นศึกษะไปนั่งไหนมากข้อนี้สอนใ้ตั้งศึกษะตรงมีท่าทางองอาเป็นสงา่าห้ามเดินหรือนั่งคอพับนั่ง เ, เหมือนกับคนที่ไม่มีกัมยังที่จะทำศึกษาของตนเองได้ ก็คือว่าไม่สั่งศีรษะเวลาพูดอะไรก็จะรับหรือจะปฏิเสธอะไรก็ก็ใช้คำพูดไม่ต้องไปสั่นศีรษะเพราะการสั่งศีรษะนั้นก็เป็นการเสียกิริยาอย่างเหมือนกันสำหรับภิกษุสามเณรเนียน่ยนั้นต้องรู้จักเมื่อเข้าไปสู่บ้านไปนั่งในบ้านก็ดีก็ต้องระวังในการที่จะไม่ให้สั่นศีรษะหรือไม่ทอาอาการ เป็นคน air, อ่อนแอคอพับคออะไรต่ออะไรรู้จากทำกิริยาอาการให้องอาจนม่เลื่อมใสข้อที่คู่ที่สิบคู่ที่สิเ็ดว่าที่สุทูลศึกษาว่าจะไม่เอามือค้ากายไปนั่งไหนบ้านอาจารย์ข้ากายมันก็หมายเอาอาการเดินเอามือค้าบั้นเอวหรือนั่ ง, ทงเท้าแขนข้างเดียวก็นับเข้าในข้อนี้ ก็หมายความถึงว่าการไปในบ้านเนี่ยอไม่เดินค้ำเอวแสดงอาการออกมาเหมือนกับอที่เราเรียกกันว่าคนค้ำเอวเนี่ยเรียกว่าเป็นคนค่อนข้างจะเป็นคนอัตภัณฑอแสดงอาการผ่านออกมาลักษณะค้ำเอวไม่ปลุกใครแต่ถ้าเราไปทําอย่างนั้นก็เสียกิริยาไม่น่าดูและม้แต่ไปนั่งเท้าแขนในบ้านก็ ไม่ดีเหมือนกันเพราะการไปนั่งในบ้านเนี่ยก็รูและบ้านไม่ใช่ที่อยู่ของพระก็ต้องระวังรักษาจะไปนั่งเท้าแขนดูแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าดูสำหรับพระเหมือนกันงนั้นการนั่งก็ต้องระมัดระวังอย่าไปเท้าแขนอย่าไปาทําอนเอโบราณท่านท่านสอนไว้ว่ า, าการดูคนเนี่ยต้องดูหลายๆลักษณะ แม้แต่การดูพระดูเนนเนี่ยก็ขเขาก็ต้องดูเห็นว่าดูสมผานเนี่ยเขาบอกว่าดูวัดต้องดูที่ฐานดูสมผานก็ต้องดูที่เนนน้อยคือถ้าหากว่าวัดใดฐานคือหมายถึงซ่วมนั้นสะอาดสะอาดไม่ส ก, กปรกแสดงว่าวัดวนั้นเนี่ยดีซ่วมสะอาดได้อย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงก็สะอาดไม่จะดูสมผานวัดใดวัดหนึ่งจะดีหรือไม่ เขาไปดูที่เน น, น้อยท่าเนเนน้อยในวันนั้นเน่ยมีความประพฤติธปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในกิริยามารยาทเรียบร้อยทั้งอยู่ในวัดและออกนอกวัดทั้งตอนหน้าและหลังแล้เ น, นน้อยยังมีความประพฤติปฏิบัติดีเช่นนี้เจ้เอาวัาดก็ไม่ต้องมีปัญหาอะไรเพราะเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องมีความประพฤติดีปฏิบัติชอบอบรมสั่งสอนดีในเขาดูเป็นยังไงใ น, นทางคำว่าหมายถึงว่าโบราณท่านพูดเอาไว้ว่า จะมีคนที่จะมาเป็นลูกเขยอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าเขาดูตั้งแต่เอสมัยการเป็นพระเนี่เพราะพระที่บวดในมาเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องไม่สึกแล้วจะอยู่ตลอดไปก็คือจะต้องสึกกันส่วนใหญ่ดังั้นคนที่ฉลาดเขาดูตอนเป็นพระนี้ว่าพระองค์ใดรูปใดที่สามารถเมื่อสึกออกไปแล้วจะสามารถเป็นลูกเขยเขาได้เนี่ยสามารถเลี้ยงชีวิตเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรเขาได้เนี่ยเขาก็ดูในตอนตอนเป็นพระ ตอนพระองค์ใดในขณะที่สวดมนต์ไหว้พระหรือ น, นั่งอะไรก็าตามทีเนี่ยสแสดงอาการอ่อนแอออกมาแล้วก็สแสดงว่าแย่เช่นปนนมือในขณะสวดมนต์ปนนมืออยู่ระหว่างหน้าอกแต่ว่าสวดไปสวดมา ก, ก็ลดตกลงไปที่ตักเนี่ยปนนมือจึงกระทำไว้อยู่ที่อกตกลงไปที่ตักเออที่ตักผลักลงไปถึงพื้นแล้วก็สแสดงว่าอ่อนแอแม้แต่มือปนนมก็ยัง ไม่สามารถที่จะรักษาการปรนเมือนให้คงที่ได้แม้สุขาะเทศเออกไปก็เลี้ยงลูกเขาไม่ไหวเนี่ยทมหากินไม่ได้หรือนั่งค้ำกายอยู่เสมอๆเอ่ขนาดร่างกายตัวของตัวเองอยังต้องค้ำเอาไว้อย่างนี้แล้วจะไปทามหากินอะไรได้นี่ก็ว่ากันอย่างนั้นนะฉะนั้นเขาดูกันที่ตรงนี้เหมือนกัน นี่พระพุทธเจ้าท่านก็สอนไว้เลยการนั่งในบ้านนีก็อยา่าไปค้ามกายไหนอย่าไปขากาย ย, ากากายังทจะในอาการอ่อนแอไม่ให้เป็นสง่าปราเผยเรียบร้อยหนึ่งก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ตั้งสองพันกว่าปีมาแล้วแล้วก็ใช้ได้มาตลอดเป็นระเบียบเรียบร้อยดีแล้วคู่ต่อไป <c oughs> คู่ที่สิบสองพิสุทธิทูลศึกษาว่าจะไม่เอาผ้าคลุมศีรษะเข้าไปนั่งในบ้าน อกินยาที่มุ่งหมาเรียบร้อยก็เป็นธรรมเนียมที่ดีแต่จะปิดหรือเปิดอะไร ว, ว่าไม่ควรปิดเปิดเป็นกิริยาที่น่าตินั้นการ เ, าเรื่องศรีรษะในธรรมดานั้นเรานก็ไม่ในนิยมการปิดศรีรษะหรือว่าผ้าคลุมศรีรษะนั้นมเวลาเข้าไปในบ้านเนี่ยนะเจ้าผ้าคลุมศรีรษะมันก็ไม่น่าดูเนะี่ยไม่ควรสําหรับภิกษุในพระพุทธศ า, าสนาสามเณรในพระพุทธศาสนา แต่จะคลุมกายด้วยการข่มจีวรให้เรียกว่าเป็นการบรรทนุนั้นได้ดีเป็นการดีดีงามถูกต้องแต่จะเป็นกลุ่มทีรษะนั้นไม่ควรเพราะการคลุมที่ส่านั้นมันเป็นไปในลักษณะที่ดูแล้วมันเหมือนอะไรเนี่ยฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเป็นสิ่งที่เราจะต้องสังเกตระวัง้มากขึ้นแข้อท 13, อี่สิบสามเ้าพิูจนศึกษาว่าเราจะไม่เดินกระโยนเท้าหรือนัง่งรัดรัดเข่าในบ้าน อริยธรรมกิริยาที่เดินกระโยก ค, คือเหยียบพื้นไม่เต็มเทา้าเพราะท่านต้องการให้เดินเหยียบพื้นเต็มเทา้ากิริยาเอนยองๆเอาเมลัดเข่าหรือเอาผ้ารัดรอบก็เป็นกิริยาที่ไม่งามเช่นเดียวกันนั้นในคู่นี้ก็ให้รู้จักสารวนระวังในการเดินและในการนั่งอย่างไรที่จะให้ถูกต้องเหมาะสมกับการเป็นผู้ตั้งอยู่ ในเพศสมัมมนนะาเรียกว่าตั้งอยู่ในสมัมมนศาสารูปนั่นเองนะี่เรื่องของการปรับอบัติมันไม่เสกข ย, ยวัสิคขาบทนั้นไม่ได้ปรับอบัติไว้โดยตรงนี่แต่เพียงว่าพึ่งศึกษาพึ่งทําความศึกษาแต่ว่าในคำพิมพ์ผังท่านปรับอบัติเป็นอบัติทุกกเพราะไม่เอือเ้อเฟือแต่ถ้าไม่รู้จักทำท่านยกเว้นไห้อ่า อ น, นุทศผู้เข้าพักอยู่ในบ้านเป็นการแรมคืนแรมวันจะละจากอาการนั้นต์ก็ได้แต่ท่านอนุญาตให้ถือและทําได้ในห้องที่พักเหมือนกับวัดที่ตนอยู่เพราะฉะนั้นในในหมวดภาษาลูปนี้ก็เป็นหมวดที่จะต้องรักษากิยามา ร, รยาทในการเข้าบ้านมากควรจะรักษากิยามา ร, รยาทของการเป็นสมณะที่ดีอย่างไรที่เราจะต้องปฏิบัติเราประบัติแม้จะไม่มากเท่าไหร่เป็นแค่บัด ท, ทุกฏ ก, ก็จริงดู แต่ว่าละมัธทุกตนนั้นก็ถ้าหากว่าเป็นการเสียกิริยาเป็นการเสียมาร ย, ยาทก็เป็นเหตุอาจเพืต้องเกิดการส่วนศรัทธาทุกปณิติจิตจากอาลินทาจากชาวบ้านได้เหมือนกันนั้นในฐานะที่เราเป็นเพื่อนและทำมิตรกันก็ควรที่จะสมมูลถ้าวางรักษาต้องดูในอาการกิริยาของสมณะสารูปตามเสขียวัฒนนี้ก็จะนําฟามเลื่อมใสมาสู่หนูคณะและนําวามเลื่อมใส มาสู่พุทธศาสนาของเราสําหรับวันนี้เวลาข้อรายการเวลาของเราก็เริ้นสุดยุติโงแล้วขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีเด่ดเพื่อนละทุกทุกท่านทุกทุกทกคนเถอดสวันนี้ครับ <c oughs> เพื่อนสาธิกทุกโลกที่กําลังศึกษาพระธรรมชั้นตรีวันนี้เราก็มาศึกษาพระวินัยต่อเ อ, อเราได้ศึกษาในเรื่องเสียงเขียวัดมา ในหมวดสารูปแล้วนั้นเราก็ศึกษาต่อในหมวดโพชนาไปสั่งยุทธ์หมวดโพชนาไปสังยุท ธ, ธนั้นก็เป็นธรรมเนียมที่เราจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการบุญธมบาตและก็การฉันอาหารว่าเราจะประพฤติปฏิบัติกันอย่างไรในหมวดโพชนาไปสังยุทธ์นั้นมีสามสิบข้อด้วยกันสามสิบสี่ขาบท ด, ด้วยกันนะเราก็ต้องท่องให้ขึ้นใจอีกนั่นแหละ สามสิบข้อหรือสามสิบสิขาบทนั้นก็มีดังนี้หนึ่งที่สุพึงทําความศึกษาว่าเราจะรับบิณฑบาตโดยเขาลกสองที่สุพึงทําความศึกษาว่าเมื่อรับบิณฑบาตเราจะแลมดูแต่ในบาทสามที่สุพึงศึกษาว่าเราจะรับแกงพอสมควรแก่ข้าวสุต เที่ยสุพึงทำความศึกษาว่าเราจะรับบิญธบาาแต่พอเสมอขอปากบาทถ้าพิสุพึงทำความศึกษาว่าเราจกฉันบิญธบาาโดยเคารพหกพิสุพึงทำความศึกษาว่าเมื่อฉันบิญธรบาาเราจะแลนดูแต่ในบาทเจ็ดพิสุพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่ขุดเข้าสุขใหแหว่งแปดพิสุพึงทำความศึกษาว่า เราจับฉันแกงพอสมควรแก่ข้าวสุกเก้าพิสุพึงทําความศึกษาว่าเราจะไม่ขยุ้มข้าวสุกแต่ยอดลงไปสิบพิสุพึงทําความศึกษาว่าเราจะไม่กรบแกงหรือกับข้าวด้วยข้าวสุกเพราะอยากจะได้มากสิบเอ็ดพิสุพึงทําความศึกษาว่าเราไม่เจ็บไข้จักไม่ขอแกงหรือข้าวสุกเพื่อประโยชน์แก่ตนมาฉัน สิบสองพิสูจน์คุณทำความศึกษาว่าเราจะไม่ดูบาศของผู้อื่นด้วยคิดใจยกโธทษสิบสามพิสูจึงทําความศึกษาว่าเราจะาไม่ทําคํำข้าวขห้ใหญ่นะักสิบสี่พิสูจึ์คุณทความศึกษาว่าเราจะาทำคำข้าวให้กลมกล่อมสิบห้าพิสูจึงทําความศึกษาว่าเมื่อคํำข้าวยังไม่ถึงปากเราจะไม่อ้าปากไว้ท่า สิบหกพิสูจพึงทำความศึกษาว่าเมื่อฉันอยู่เราจะไม่เอานิ้วมือสอดเข้าปากสิบเจ็ดพิสูจพึงทำความศึกษาว่าเมื่อเข้าอยู่ในปากเราจะไม่พูดสิบแปดพิสูจพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่โยนคำข้าวเข้าปากสิบเก้าพิสูจพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่ฉันกัดคำข้าวยี่สิบพิสูจนพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่ฉัน ทำกับพุ้งแก้มให้ตุยยี่สิบเอ็ดพิสุพึงทำความศึกษาว่าเราจกไม่ฉันกลางสะบัดมือกลางยี่สิบสองพิสุจึงทำความศึกษาว่าเราจกไม่ฉันโปรยเมล็ดข้าวให้ตกลงในบาตหรือในที่นั้นๆั้นยี่สิบสามพิสุพึงทำความศึกษาว่าเราจกไม่ฉันแลบลิ้นยี่สิบสี่พิสุพึงทำความศึกษาว่าเราจกไม่ฉันดังจับจับ ยี่สิบห้าพิสูจน์พึงทําความศึกษาว่าเราจักไม่ฉันดังสุ้สู้ยี่สิบหกพิสูจน์พึงทําความศึกษาว่าเราจักไม่ฉันเลียมือยี่สิบเจดพิสูจน์พึงทําความศึกษาว่าเราจักไม่ฉันขอดบานยี่สิบแปดพิสูจน์พึงทําความศึกษาว่าเราจักไม่ฉันเลียเรนสีป่ายี่สิบเก้าพิสูจน์พึงทําความศึกษาว่าเราจักไม่เอามือเลื่อนจับภาชนะน้ําและสามสิบ ที่สุดเป็ทำความศึกษาว่าเราจากไม่เอามือน้ำ เ, เอาน้าล้างบาทมีมเมล็ดข้าวเทในบ้านนี่ก็มีทั้งหมดสามสิบข้อหรือสามสิบสิขาบทเดีย ก, กันในหมวดโภชนะปฏิสังธจุดนี้ทีนี้เราก็มาศึกษาแต่ละข้อแต่ละข้อไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจแต่ละข้อนั้นว่าอย่างไรมีคำอธิบายว่าอย่างไร อในหมวดนี้ข้อที่หนึ่งท่านว่าเพิ่งทำความศึกษาว่าจากครับ บ, รบินธบดยเคารพคําว่าเคารพในข้อนี้ก็คือสอนให้แสดงความเอื้อเฟื้อในมือโคลผู้ให้ไม่รับด้วยอาการดูหมิน่นแะต่ในรับด้วยอาการดูหมิน่นเช่นเราไปบินธบดีผู้ให้จะเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะอะไรฐานะเป็นคนยากไร้หรือฐานะเป็นคนปานกลางหรือเป็นคนที่ อยู่ในฐานะที่อซูงก็แล้วแต่ก็ต้องเอื้อเฟื้อในการที่จะรับบินธบาตินั้นนะคาว่าแสดงความเคารพในชี่นี้ก็ไม่ไหมายคำว่าจะย่อมยกมุ่งไหว้เขาแต่ว่าอยู่ด้วยอาการที่เรียบร้อยนะแสดงออกซึ่งความยินดีในการที่จะรับไถ่ทานที่เขามาใส่นั้นคือมาบินธบาตเออเอ า, เอาบินธบาติมาใส่นั้นมันก็แสดงอาการไม่ดูหมิ่นในการที่เขามาใส่ปา่า จะมีของดีหรือของไม่ดีอะไรก่อ็แั้วแต่หรือจะอาหารอันประณีตหรือไม่ปรนณีตก็แล้วแต่แต่ว่าต้องเอื้อเฟื้อในการรับบิณฑบาตนั้นนั้นก็ต้องรักษาระมัดระวังในการรับบิณฑบาต ท, ทุกครั้งที่มีผู้มาใส่ก็ต้องถือว่าเขามาใส่ด้วยศรัทธาจะมีของดีไม่ดีก็เราก็รับด้วยความเอื้อเฟื้อแสดงความเคารพในลักษณะอย่างนั้น ข้อสองที่ว่าที่สุดพิงทั้งฟังศึกษาว่าเราจารัดแลดูแต่ในบาทในขณะที่บินบาทนั้นอันนี้ก็คือให้สำรวมและแลหมายถึงการถ้าไม่ให้แลดูหน้าถ่ายยกหรือแลไปข้างอื่นในขณะที่บินบาทหรือขณะที่เข้าใส่บาทอยู่ก็ต้องแลดูแต่ในบาทไม่ใช่ว่าต้องไปดูหน้าเขาเพราะคนใส่บาทนั้นก็มีทั้งหญิงทั้งชายทั้งหนุ่มทั้งแก่ทั้งเด็กนั้นก็ ต้องระมัดระวังสัมพวมกิริยาอยาเป็นดูหน้าอยาเป็นดูตัวให้สัมพวมอยู่ในบาทดูแต่ในบาทเขาใส่นั้นหรือไหม่ในขณะสายก็ไม่ต้องมองซ้หยมองขวาหาอะไรเมื่อทีก็ยกักมักจะมีตำหนิกันมากก็คือในที่เจริญเจริญเนี่ยมีพระบินทบาทค่อนข้างจะถูกตำนหนิอยู่มากบินทบาทหน้าเอาไปให้คนหนึ่งเอาไปขายต่อหรือไม่ก็บินทบาทไม่สัมพวมดูว่าใครมีซองหรือใครมี อ, อะไรอะไ ร, ะไรนี่ก็ในการที่จะ ไปรับบิณฑบาตต่ออันนี้ก็เสียมกริยามารยาแล้วก็มีหลายแห่งโดยเฉพาะที่เคยไปปรากฏเห็นที่พุทธามาศรี บ, บรุรีซึ่งในคราวเทศกาลงานไหว้พุทธ า, า, า, า, า, ามาศนั้นก็มักจะมีพระมาจากหลายแห่งหลายที่มาหกินกันก็บิณฑบาตกันตั้งแต่ตีห้าจนกระทั่งเทงด้วยอาการกิริยาที่น่าเกลียดมากอแม้จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอ ย, อยู่แต่ก็ไม่ท่วงติงดังนั้นอถ้าเรามีธรรมะหรือมีจริยวัดหรือมีเสกียวั ด, อ, วดอันนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร สำคัญบางองค์หรือบางรูปก็ขาดสํานัจสารูปขาดเสกเขียววัดจึงมีการปฏิบัติไปในทิ่งที่น่าเกลียดอยู่เหมือนกันนั้นกนารถ้าเป็นธรรต้องพยายามแลดูแต่ในบาศัมภูมิกิริยาอย่างนี้เป็สนสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันไอ้คู่ที่สามว่าพิพสูจพิสูจนศึกษา ว, ว่าเราจัดรับแกงพอควรแก่เข้าสุกหมายความว่ า, าสายบาสนั้นก็จะใส่แต่เข้าสุกอย่างเดียวนั้นก็หาไม่ ต้องใส่กับข้าวขึ้นเรือเราเรียกกันวัดแกงแต่ว่าแกงนี่ทางรามบาลีเรียกว่าสูบปานะได้กนะแกงอาหารที่ทําด้วยในหลายอย่างจะเป็นถั่วเขียวบ้างถั่วขาวอะไรก็แล้วแต่จับเอ่อเอ่อเป็นของหลายอย่างอันนี้ก็ให้รับแต่พอดีพองามนะไม่ให้เกินไปมากนะอันนี้ก็ต้องดูอีกสราบางทีโยมมีศรัทธามากนะก็อาจจะใส่มากไปแต่ก็ต้องดูว่าความเหมาะสมแค่ไหน อันนี้มันอยู่ที่ผู้ผู้ให้เหมือนกันในผู้รับก็ต้องรู้จักพาระวังพอสมควรแล้วก็บอกให้สราบว่ามันพอสมควรแล้วรัาไปไม่ไหวพระพะนั้นก็รับแต่พอดีพอดีตามพระวินัยได้กําหนดเอาไว้อย่างไรอันนี้ถ้ารับมากเกินไปมันก็เสียกิริยาเหมือนกันนั่นก็ไตรโมเหมาะสมแก่ข้าวสุกข้อที่ข้ อ, ขอสี่ว่าที่สูจน์คุงธรามศึกษาว่าจากรับบิณทบานแต่พอเสมอขอบปากบาท คำว่าขอบนั้นก็หมายเอาขอบล่างนะตามธรรมยมในบัดนี้รับมากต่อความโลภใช้ไม่ได้คือโลภมากรับมากแล้วก็สอ่อส่อเป็ตาไม่เป็นการเสียหายหมายว่าถ้ารับมากสอความโลภเนี่ยรับเอาไปหรือเทหรือเทเหนือลูกศิษเอาเทแล้วเอาไปขึ้นรถต่อหรือเอาไปไหนไปไหนมากมายเช่นในเทศกาลขึ้นปีใหม่หรือมันสําคัญอะไรที่ มีญาติสาธุรชนได้มาใสาบ่บาตการจํานุนมากก็มกักจะใส่กันมากมายแต่ก็บางคนก็าบางงค์ก็มกักจะบินธบารในลักษณะของความโลภมากโลภแล้วก็บินธบารเ ล, ลวก็ไปในทางที่ไม่ดีไม่งามอะไรแล้วพูดในในหมู่กันเองว่าบางท่านเนี่เอาไปขายต่อซึ่งเป็นการไม่เหมอสมด้วยปรการทั้งปวง เ, เป็นการเสียกิริยามารายาทซึ่งไม่เหมาะสมในการที่ เ, าเราตั้งอยู่ในธรรมนักเทศ เพราะว่าในการแสวงหาในทางพระพุทธศาสนานั้นแสดงไว้สประการคืออริยประเยศสนาแสวงหาอย่างประเสริฐก็คือแสวงหาคุณธรรมลุ่มสูงที่ให้เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น อ, น, อ, น, อนาอริยะประเยศสนาแสวงหาในทางอันไม่ประเสริฐก็คือการแสวงหาในทางที่ไม่ชอบตามประธรรมปินยัยเน้นเอาไปค่าขายหนึ่งวงหาในทางที่ไม่ประเสริฐขึ้นผิดที่ไหนด้วยเป็นการเสื่อมศรัทธาของผู้ที่พบเห็นด้วยจึงไม่ควรในการที่จะกระทําเช่นนั้นยังเก็ะให้รับพอสมควรนะอย่าให้มากนะขอบ เต็มปากมาแต่นี้ถ้ามีญาติโยมสาธุชนมีศรัทธามากขึ้นใส่เต็มแล้วก็อยากใส่เออันนี้ก็ต้องรับด้วยเมตตาจิตเห็นว่าเพื่อฉลองศรัทธาก็ต้องอพอสมควรอีกแหละต้องดูอีกว่าอย่างไรก็พอเหมาะพอกกสมควรไม่เป็นอะไรแต่ถ้ารับด้วยความโลภแล้วก็เป็นการมีความผิดมีโทษตามอาสิขาบทนี้ก็คือเป็นระบัตบทุกกฎห้าต่อไปและพิกูจน์ดังฟางศึกษาว่าจยากาบาุญบมบัตรโดยขอรบ วินาศฉันฉันวินาศบาดโดยเคารพก็คือว่าในขณะฉันก็ต้องฉันด้วยความเคารพขอร้อนี้หมายถึงการฉันโดยปกติไม่แสดงอาการดูหมิ่นว่าเย็นของเลวคือฉันไปในชั้นวินาบาดะก็ฉันด้วยอาการสำรวมระมัดระวังออยู่ในอาการที่ อ, อสํารวมอือาการในสํารวมเดี๋ยว่าแลนดูตณิบบาทฉันด้วยอาการสํารวมอของที่สายบาดมาจะของดีของไม่ดีอย่างไรก็ต้องฉลอง ส, าางสราไปตามสมควรนี่ ข้อที่อกว่าพิสูจน์เพศึกษาว่าเมื่อฉันบินธบัต์นักแม่ ด, ดูแต่ในบาทอันนี้ก็เอเป็นการสนับสนุนข้อแรก้ข้อที่กล่าวมานั้นว่าอาห้ามดูสิ่งอื่นหรือทําสิ่งอื่นพลางฉันพลางแต่จำแล้วดูคิดด้ว่าจิิงใด้ยังไม่มายังไม่พอจะได้สิ่งนั้นแก่พิสูจผู้ฉันอยู่ใกล้ไม่ห้ามนะดังนั้นก็ต้องรู้จักสัมผเหมือนกันในขณะที่ฉันก็อยากไปดูโน่นดูนี่ชมดูอะไรต่างๆมากมาย ดูคนนั้นดูคนนี้ซึ่งเป็นการเสียกิริยาเข้อเจ็ดต่อไปว่าพิสูจน์เพิ่งความศึกษาว่าเราจะไม่ขุดข้าวสุกให้แหว่งและท่านให้ให้หหตุในที่เดียวจนข้าวแหว่งลงไปคือแนะนําให้กวาดเมลาม่วมงเข้าเป็นคำอันนี้ก็คือให้รักษากิริยาก็ไม่มีอะไรมากข้อแปอพิสูจน์เพิงความศึกษาว่าจักชั้นแกงพอสมควรแก่ข้าวสุกอันนี้ก็พอสมควรนี่ท่านหมายเอา แกงนั้นเท่าเสเสีย้ยหนึ่งเสี้ยวหนึ่งเสี้ยวที่สี่แห่งเข้าสุกและห้ามฉันตะ ก, กระ้าตะกรามแต่ถ้าเขาเลี้ยงแต่ของอื่นไม่มีเข้าสุกฉันได้เช่นอาหารบางอย่างไม่มีเข้าสุกเลยเป็นวบบโต๊ะจีนหรือโต๊ะอะไรก็แแต่ที่มีอาหารอย่างเดียวไม่มีเข้าสุกอันนี้เราก็ต้องฉันมากไม่เป็นไรแต่ก็ต้องดูความเหมาะความควรแค่ไหนอย่างไรในการที่จะไม่ให้เสียเกียรติยามริญญานั่นเอง อาก้าวซึ่งทางพิสุจนตทางความศึกษาว่าจากไม่ฉันขยุ่มเข้าสุกแต่ยอดลงไปอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมของพิสูจต้องฉันเข้าสุกในบาทให้หน้าเสมอกันก่อนแต่กับข้าวหรือขนมที่เขาจัดบนจานยึดลงมาแต่ยอดได้อันนี้ก็ต้องเป็นไปตามธรรมเนียมของพิสูจฉันก็ต้องอยู่ในอาการสังหวง <c oughs> นิสิ ที่สุดเพิ่งทงํงความศึกษาว่าจากไม่ขอแกงหรือข้าวกับข้าวด้วยข้าวสุกเพราะอยากไม่มากข้อนี้ก็หมายเอาการฉันในกิจดิมนี่ทายกอังคาศก็คอยเติมของที่ฉันได้ถวายได้ถวายก็ต้องรู้จักเนี่ยข้อต่อไปข้อที่สิบเอ็ดที่สุพิ่ทงทําความศึกษาว่าจากไม่ขอแกงหรือข้าวสุกเพื่อประโยชน์ตนคําว่าขอในที่นี้หมายเอาขอต่อการาบที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ผู้วาณาอาพาธขอ ขาอาหารไม่ผาสุกหรือไม่อาพาธขอเพื่อพิสูจน์อาพาธได้อยู่ไม่เป็นอะไรนั้นก็นการขอข้าวขอแกงจากกษัตริย์ที่เราไม่เป็นอะไรนั้นก็ไม่ควรอีกนะเนเี่ยเว้นไว้แต่เขาปรมรณนาหรือเป็นญาติก็ขอได้ดันั้นพิสูจน์ไต้องรู้จักการขอไม่จะ่าขอทั่วไปหมดข้อสิบสองพิสูจน์ด้วยทางความศึกษาว่าเราจะไม่เบบาดของผู้อื่นด้วยคิดจะยกโทษก็คือห้ามดู อแอลดูบาดด้วยตั้งใจจกค่อนขอดว่าฉันมุ่งมันแต่ในลดูด้วยคิดจะให้ของฉันลูกปินบัตอนี้ก็ในลดูบาดผู้อื่นนั้นท่านดูบาดเพื่อจะยกโทษมันผิดแต่ว่านูเพื่อจะมีอะไรขาดคืน <c oughs> จะได้เพิ่มเติมให้เป็นอะไรแต่ขออ้อศึกษามาพิสูจน์ทางการศึกษาว่าจากไม่ทําคําข้าวให้ใหญ่นะคําข้าที่คับปากนําเข้าไปไม่ได้หมดยัดว่าขยายนะของอื่นท่านไม่ห้ามแต่ ถ้าเสียกิริยาใช่ไม่ได้เหมือนกันงั้นคำข้าวก็ต้องให้มันเหมาะสมให้มันใหญ่โตจนเกินไปมันตีมันใหญ่คับปากเลยพออยกขึ้นที่เพื่อให้เรายัดเข้าปากแล้วมันจะล้นลงกมาเนี่อันนี้เรียกว่ามันใหญ่เกินไปเนียกิริยาแล้วข้อทีสีว่าพิจิตรีข้าวสารเสกจาว่าเราจะทําคําข้าวให้กลมกล่อมกิริยาที่บริโภคที่อยจะมาเรียบร้อยนั้นต้องหมายเอาปั้นข้าวให้กลมกล่อมนั่นเอง อยากทำใ้พอดีพอดีอย่าให้มันใหญ่โตมากนะตัวมันได้เกเินไปนี่ก็ทําให้ดีแล้วก็เรียบร้องดีขอ้อที่ห้าพิสุพุนทั ง, ทางวานศึกษาว่าเมื่อคำเข้ายังไม่ถึงปากอากไม่อ้าปากไว้คอยท่าข้อนี้ก็บ่งให้รู้ถึงทำเนียนฉันอาหารให้ผูปากเคี้ยวอ้าปากเฉพาะเวลาที่นําคําข้าวเข้าไปก็เป็นกิริยาที่ดีที่งามข้อสิบหกพิสุพุนทางวานศึกษาว่าอยากไม่เอานิ้วมือสอดเข้าปากข้อนี้ห้ามปล่อนิ้วมือเข้าปาก เนอาการสุรกับหลงในขณะฉันนะในขณะฉันจะว่าก็ถ้าเกิดมีเหตุการ์เข้าองเกิดก้างปลามันปักหรือมันติดอยู่ในาปากเนี่ยมันเคี้ยวอาหันไม่ได้จําเป็นก็ต้องขอโทษหรือว่าใช้อะไรเอาออกได้อันนี้ก็ไม่ถึงกนการเสียกิริยาแต่ว่าถ้าปกติแล้วก็ไม่ควรที่จะสอดนิ้วมือเข้าไปในปากเพราะเป็นการเสียรมารยาทในการฉัน ข้อ35ข้อ17พิสูจน์เพิ่มความศึกษ า, าวา่าเมื่อคําเข้ายังมีอยู่ในปากจักไม่พูดอคณะที่คำเข้าไม่อยู่ในปากนั้นห้ามไม่ให้พูดให้กลืนหรือคลายแล้วจึงพูดได้ไม่ว่าฉันเข้าวบกคุยกันวุ่นวายเสียงดังสนั่นวันไหวซึ่งเป็นก า, ารเสียงกิริยาเมตยาณนั้นการฉันเข้าของพิสูจนนั้นให้จารวมไม่คุยกันมากแต่จะคุยกันก็ได้แต่ว่าคำเข้าต้องไม่มีอยู่ในปากแะถ้าคําเข้ามีอยู่ในปากและคุยเนี่ยเป็นป่าเป็นเป็นทุกข์กดเป็นอวบ ข้อที่ปดต่อไป พ, พี่สุพิชิตทางการศึกษาว่าจักไม่โยนคําข้าวเข้าปากแต่ข้อนี้ห้ามการบอกการโยนคําข้าวขึ้นจากมือเข้าปากหรืออ้าปากนะรับว่าเป็นกิริยาที่อไม่น่าดูเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือข้าวเหนียวมันโยนปัดเข้าไปได้ก็ไม่ควรทําเช่นนั้นข้อสิบเก้าพี่สุพิชิตทาความศึกษาว่าจากไม่ฉันกัดคําข้าวอาการกัดของอืน่นเช่นขนมแข็งหรือผลไม้ทรงอนุญาต ข้อนี้ห้ามการฉันมือมาแต่ในประเทศที่เขาไม่เห็นเป็นเสียกิริยาก็ใช้ได้อันนี้ก็อยู่ที่ว่าความเหมาะสมเพียงไหนแค่ไหนข้อยี่สิบพิสุทธิ์พุทความศึกษาว่าเราจากไม่ฉันทํากับพุ้งแก้มให้ตุยข้อนี้ก็ห้ามการฉันทีละมาดมากจงแก้มตุยนั่นเองข้อยี่สิบเอ็ดพิสุทพธความศึกษาว่าจากไม่ฉันกลาวสะบัดมือชาข้อนี้ก็ถ้าเข้าสุขหรือสิ่งอื่นเกิดมีอสปกปรกให้ล้างดินนะครัไม่ให้สะบัดเพราะสะบัดนี่มันก็เป็น ให้ไปถูกจีวรหรือไปถูกอะไรต่ออะไรของพิกษุอื่นที่นั่งอยู่ใกล้ด้วยข้อ22พิสูจน์คุณทาความศึกษาว่าจากไม่ฉันโปรยมเมล็ดข้าวอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วไม่โปรยมเมล็ดข้าวข้อ23พิสูจน์คุณทาความศึกษาว่าจากไม่ฉันแลบลิ้นในขณะฉันไม่จะไม่แลบลิ้นข้อ24พิสูจน์คุณทาความศึกษาว่าจากไม่ฉันบังจับจับแล้วมันทำเสียงอะไรยอตบังจับจบมันเหมือนกับ สัตว์บางชนิดจั่นพวกหนูพวกอะไรมันงจับจับแต่คนเราก็จะต้องสมัดระวังในการฉันจะให้มันดังจับจับข้อยี่สิห้าวิสุทธิธรรมพิสุทธาว่าเราจักไม่ฉันดังสู้สู้อันนี้ก็เสียกิริยาเหมือนกันดังจับจับหรือดังสู้สู้ก็แล้วแต่ในขณะที่เราฉันจะของเหลวหรือของไม่เหลวก็ออลแล้วแต่ไม่ให้มันดังเช่นนั้นข้อย่สิบสองวิสุทธิธรรมพิสุทธาวา่จาจักไม่ฉันเลี้ยงลู คำว่าเลียมือในที่นี้ไม่หมายเอาเพียงแลบลิ้นเลียมอมิดอันติดมือไม่เอาหนิวไอ่เลมอมิดอันติดมือนั้นเข้าปากก็นับว่าเลียมือเหมือนกันการพูดง่ายๆว่าไม่พึงเลียมือมีอของติดยหนึ่งือกาไม่ไม่ถึง เ, เป็นเลียจะทําอย่างอื่นจะเช็ดหรือจะเอาอะไรเช็ดหรือจะเอาอะไรล้างนั้นได้อยู่แต่เลียมือมันก็ดูเหมือนก็อะไรอยู่ข้อที่ยี่สิบเจดมิสุนึง ท, ทำความศึกษาว่าจากไม่ฉันขอดบาด ข้อนี้ก็หมายก็ว่าข้าสุกเหลือน้อยไม่พอเป็นคำถ้าไม่ให้กวาดน่องรวมเป็นคําฉันถ้าทําเช่นนั้นเรียกว่าฉันขอดบาดยมีเสียงดังกอกกรอดขอดบาดที่หมดเกลื่องนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าเกลียดเช่นกันเมื่อจะไปฉันในบ้านเนี่ยกันดังขอดๆแล้วก็จะขอเจ้าภาพว่าเจ้าของบ้านเขาจะจะคิดอย่างไรเนี่นก็ต้องระมัดระวังข้อยี่สิบแปดที่ถึงเป็นทำความศึกษาว่าเราจะไม่ฉันเรียนสีปากอันนี้ก็ชัดเจนแล้วละเพราะมันการเสียกิริยา ข้อ29พิสุทธิ์คุณทำความศึกษาว่าจากไม่เอามือเตื้อนจับหาชนะน้ำข้อนเน้เนื้อมาจากธรรมเนียมพระฉันในครั้งก่อนฉันอุนน้งแล้วจึงรับน้ําห้ามไม่ให้รับน้ำด้วยมือข้างที่เตือนฉะนั้นถ้ามือเตื้อนทั้งสองข้างให้ล้างเสียก่อนอันนี้ก็เป็นการรักษาอันดับใหม่เพื่อให้เกิดความสุขโปร่งนั่นเองข้อ30พิสุทธิ์คุณทำความศึกษาว่าจากไม่เอาน้ำแล้วบาดมือเล่นข้าวเทในบ้าน ในครั้งก่อนนั้นน้ำไม่มีกากข้าวคงไม่เป็นไรจรึงนี้ได้ห้ามแต่ในบัดนี้แม่น้ำที่ไม่มีกากข้าวก็าหาควรเทลงไหมควรเทลงในกระโถนที่เขาจัดไว้ถ้าเทลงในที่ไม่ใช่สําหรับเทของก็ไม่ควรเหมือนกันนั้การเทอะไรก็พูดง่ายว่ารู้จักการรักษาความสะอาดไม่เกิดความสกปรกนั่นเองอในหมวดโคจรในสังยุทธนี้ก็พอสรุปได้ความว่า ธรรมเนียมฉันอันอาหารนี้ควรถือเป็นหลักน่แต่ใจความคือว่าต้องการความเรียบร้อยและรู้จักเปลี่ยนแปลงตามยุปตามสมัยเรียกว่าบ้านเมืองมันจะเปลี่ยนไปทางอย่างไรก็ให้รู้จักอาพิสูจไม่เอื้อฟื้อในธรรมเนียมฉันฉันมนงมันสุกรปรกหน้าชังผูกรับป็นบัต ท, ทุกกดนั้นแต่ตั้งใจจะรักษาธรรมเนียมแม้จะทำพราบบ้างหรือพิสูจผู้อาพาธด้รับการยกเว้น นี่ในสิกขาบทนี้นะในสิกขาบทนี้ทีนี้ต่อไปก็ในหมวดโพชนะเอ้ามาในหมวด <c oughs> ธรรมเทศนาปฏิสังยุตในเสกียวัตรหมวดที่สามนี้เพแต่ธรรมเทศนาปฏิสังยุตนั้นมีสิบหกข้อด้วยกันคือหนึ่งพิสุพึงทําความศึกษาว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้มีร่มในมือมีไม้พลองในมือมีสตราในมือมีอาวุธในมือสวมเขียงเท้า สวมรองเท้าไปในยานยู่บนที่นอนนั่งรัดเขา่าพันศีศรษะคลุมศีรษะหรือว่าพิสุจึงทางความศึกษาว่าเรานั่งอยู่บนแผ่นดินจากไม่แสดงความแก่คนไม่เป็นไข่นั่งบนอาสนะอพิสูจึงทางความศึกษาว่าเรานั่งบนอาสนะต่ําไม่จึงแสดงความแก่คนไม่เป็นไข่ น, ใ น, ใ น, ใ น, ในั่งบนอาสนะสูงพิสุจึงทางความศึกษาว่าเรายืนอยู่จากไม่แสดงความแก่คนไม่เป็นไข่ที่นั่งอยู่ พิสุกินทางการศึกษาว่าเราเดินไปข้างหลังจากไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้เดินไปข้างหน้าอและพิสุซึ่งศึกษาว่าเราเดินไปนอกทางจากไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที่อยู่ในทางนี่ก็เป็นธรรมเทศนาปริสังยุอซึ่งก็มีข้อสําคัญทั้งหมดสิบหกข้อด้วยกันสิบหกข้อทีนี้อธิบายช่อความเข้าใจอโดยอย่อหรือโดยสังเข็ พอที่จะให้ท่านทั้งหลายได้นําไปอพิจรารณาในก็ทําความเข้าใจในการที่จะใช้ต่อไปอที่ว่าไม่มีอมีไม้ตลองในมือนี้ไม้ตลองนั้นยาวขนาดสี่สองสตรากับอาวุธคู่กันต่างกันอ ย, อย่างนี้สตราได้แก่เครื่องประหารมีคมอาวุธได้แก่เครื่องยิงพู ด, ดง่ายสตราก็คือพวกที่เป็นเครื่องประหารพวกมีดพวกขอกพว ก, พว ก, พว ก, พวกดาบ อาวุธในแก่พวกปืนพวกระเบิดพวกอ่าที่ใครใช้ยิงหรือทัดออกไปนั่นเองอาเขียงเท้ากับรองเท้าต่างกันเขียงเท้ามีส้นรองเท้าไม่มีส้นแต่บางทีรองเท้าชนิดที่ห้ามไม่ให้พิสูจใช้ก็เลอยถูกเรียกว่าเขียงเท้าด้วยหลักการอาเร่องนี้สุดแต่ความนิยมของแต่ละประเทศก็สําคัญให้มีนิยมว่าเป็นอาการสแสดงความเคารพ น, นั้นอาส่วนว่ายานนะยานนั้นหมายเอาชมิดที่ อใช้หามที่ใช้มากอย่างไปคนเดียว อ, อถ้าเป็นชนิดใหญ่นั่งปวยการนิสดงได้ยอยู่เช่นรถหรืออรุถไฟหรือร ถ, ร ถ, รถอะไรเนี่นยอยันนั้นแสดงได้อยู่แต่ว่าที่เข้าหามไปอะไรไปเนีย่ยเหมือนกับแข่เขาใช้หามคนขึ้นเขาพิชิตกูดอย่างนี้ก็อันนั้นอาจจะเป็นนั่งแสดงทำอย่างนี่มันไม่คคนไม่โคนแสดงนี้ไม่แสดงทำแต่ภาพิชัแต่คนดูภ้าโพกโพกหัวโพกพิสา ผ้าพวกนั้นก็เขาใช้กันอยู่ในบางประเทศเมันมีอัตลักษณว่าถ้าพวกไม่พ้นอ อ, อ, อไม่ไ ม, ไม่ไม่ทําใหเ้เกิดการพ้นปลายปลายจุกผมเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเกลียดเขาใช้ได้แต่ อ, อในบันนี้ก็เราคิดเอาสวมหมวกแลก้นะมมวกันเขาสวมหมวกแลการไม้ของรถใช้ไม่ได้ถ้าสวมหมวกตามทําเนียมเกี่ยมะโกนตะหานี่ไม่เป็นไรแต่เราสวมหมวกด้วยสถาการณในรถไม่ควรแสดงครับ งการห้ามแสดงธรรมแก่คนมีอาการไม่เคารพนั้นก็ด้วยความรับถือเชิดชูธรรมะนั่นเองแต่ในหมวดนี้ก็มีประมาททุกโกรธแก่ผู้ม่เอืเ้อเฟื้อและขืนร่วงละเมิดไปนะ่อันนี้ฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันในการแสดงธรรมว่าเหมาะสมแค่ไหนนี้หมวดต่อไปก็คือหมวดปกิณากาศซึ่งเป็นหมวดที่สี่ในเศรษวัดนี้ก็มีเพียงสามข้อว่า หนึ่งที่สืบพึงศึกษาทำความศึกษาว่าเราไม่เป็นไข่จากไม่ยืนถ่ายอุจจระปัดถ่ายปัดสาวะสองที่สืบพึงทําความศึกษาว่าเราไม่เป็นไข่จากไม่ถ่ายอุจจาระถ่ายปัดสาวะเบื่องเขละลงในของเขียวอสามที่สืบพึงทําความศึกษาว่าเราไม่เป็นไข่จากไม่ถ่ายอุจจระถ่ายปัดสาวะเบื่องเขละลงในน้ําอันนี้มีสามข้อเดยกันนะที่เราจะต้องทําความเข้าใจว่า สามที่ขามบทที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือบวนเขนะในอาการสถานที่อันไม่สมควรก็ต้องรู้ว่าไปยืนเนี่ยพิสูจยืนถายอุจจาระปัสสาวะมันก็ไม่เหมาะสมแน่ๆเลยหรือบ้วนเขนะขับบ้วนเขนะกับบ้วนน้ำลายในอาการในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมเนียสถานที่ไม่เหมาะสมนั้นก็หมายได้ว่าพิสูจไม่เป็นไข้นะไปทำเช่นนั้นถ้าพิสูจเป็นไข่จเป็นอะไรเนี ลงในน้ำก็ดีในของเขียวก็ตามในน้ำเนี่ยก็น้าก็เป็นสิ่งที่จะต้องใช้ในการบริโภคก็ดใกีในการใช้อย่างอื่นก็ตามแล้วเราไปบ้วนทำลายลงในน้ำนั้นมันก็จะเป็นเหตุให้เ <c> ก <oughs> ิดโรคภัยไข้เจ็บแก่ผู้ที่บริโภคน้าด้วยเป็น <c oughs> เรื่องของความสกปรกไม่น่าดูแม้ของเขียวต่างๆ <c oughs> ที่เขาปลูกไว้ก็ตามว่ ไ, ไปลูกไว้ก็ตาม การไปปัสสาวะหรืออุจจาระหรือเขเทารภพมน้ําลายรถนั้นก็ไม่เหมาะสมเช่นเดียวกันฉะนั้นก็ให้รู้จักการรักษาความสะอาดนั่นเองแลนะความสะอาดในการที่เราจะต้องรักษากันอย่างไรพิสูจจะต้องรู้จักเพราะพิสูจเป็นผู้นําทางด้านจิตใจนำํำนะผู้อื่นก็ต้องนําในด้านหลๆด้านทั้งในด้านความสะอาดกายสะอาดใจนะ ท, ทุกๆอย่างเราก็ต้องนําเขานั้นการ อุจนาปัตตาว่าบวนเกล้าก็ต้องระ ม, มัดระวังบางทีอบางท่านเองไม่ไระ ม, มัดระวังถมน้ําลายเคลียกรกละคีบุรีในที่ต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเกลียดมากฉะนั้นก็ต้องระ ม, มัดระวังแม้จะโอดลุยไม่ได้ก็ต้องรู้จักการรักษากิ ร, าริยาบริย่าถมน้ําลายอย่างไรถ้าหากว่าละเมิดก็ปรับเป็นอบัติทุกกฎเราะไม่เอื้อเฟื้อนะ มีการไม่เอเื้อืัวเป็นอบัตตสกุลทั้งนั้นอาจจะนั้นเรื่องอพระวินัยมีทั้งหมดนี้ที่เราได้ศึกษามานี้ก็เป็นข้อใหญ่ใจความที่จะทําให้เราผู้เป็นภิกษุสามเณรในทางพระพุทธศาสนาได้ดํารงความเป็นพระสงฆ์องค์เนนที่ดีถ้าเราศึกษาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจและนําไปปฏิบัติสํารวมธรรมะวังตั้งอยู่ในสรรมนกสารูปเว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้าม ทำ ต, ตามข้อที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตตามทรควรแล้วก็จะเป็นที่สุสมัมภ e น e ที่น่าเคารพน่าจั ก, กระน่าบูชาและจะเป็นเนื่อนลาบุญอันดีของสาธุชนผู้ต้องการบุญทั้งหลายสมกับที่คล่าวว่าบุญยักเขตตังโล ก, กัสสาว่าพระสงฆ์เป็นเลื่อนลาบุญของโลกที่จะเป็นเลื่อนลาบุญของโลกก็อยู่ที่พระสงฆ์นั้นเป็นผู้ดํารงพระพุทธปฏิบัติตน อยู่ในสมณศรีโลกมีข้อวัดปฏิบัติที่ดีงานทําให้ผู้ที่มุ่งประสงค์บุญนำบุญทําบุญแล้วก็เกิดความสุกใจได้บุญได้กุศลขึ้นมาฉนั้นในฐานะที่เราเป็นภิกษุ ส, สมมามเณรเป็นบริษัทที่ในบริษัทสี่ก็จะต้องทําหน้าที่ของการเป็นภิกษุ ส, สมมามเณรที่ดีต่อไปก็หมายถึงว่าให้เคร่งครัดในวินัยฝักใฝ่พระมารรย์ขยันศึกษามุ่งหน้าปฏิบัติ กิาวัดอย่าคลานกรรมฐานอย่าทิ้งอย่านั่งนิ่งกินนอนเฉยช่วยกันเผยแพ่ศาสนารัฐามมั่นในรัตนไตรป้องกันภัยจากทิมีสติสัมปชัญญะมุ่งและอกุศรรมเพนตนให้ดียึดสามัคคีเป็นใหญ่ตั้งใจทําให้จริงแล้วก็ไม่ทิ้งพระพุทธศาสนาจึงจะถือว่าเราเป็นพระสงฆ์สมเด็จที่ดีต่อไปสําหรับวันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วก็ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมี แด่เพื่อนทำุห้ทั้งหลายผู้ที่ตั้งใจศึกษาและประบัติปฏิบัติมีปฏิบัติชอบปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปในทางที่ถูกต้องตามธรรนองครองธรรมแล้วใจข้อความปรารถนาอันนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็ จ, จ, รจดังความมุ่งมาดปรารถนาทุก ป, ประการเถิน